คนที่เริ่มใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปแล้วจึงรับสั่งให้พิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้